Thank mm -hmm. you. ไม่มีอะไรที่เราจะต้องพัวกันยุ่ยวอยนอกจากเรื่องของธรรมธรรมธรรมนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็มีธรรมเกิดขึ้นกับใจตรงร้ายคุ้มดีเราก็ถลําไปกับธรรมที่เกิดขึ้นกับใจหลายภพหลายชาติบางทีก็ยินดีบางทีก็ยินร้ายบางทีก็มีสุขบางทีก็มีทุกข์ บางข้างบางเขาพอใจบางข้างบางเขาไม่พอใจนั้นจรมาทุกโอกาสแเรวก็ต้องสัมผัสรับการสัมผัสจากนี้แม้แต่ในฝันมันก็ยังสัมผัสกางวันเปลี่ยนไงกางคืนเปลี่ยนั้นถ้าเราไม่ฝึกหัดตนมันก็เป็นกรรมเลื่อยไปมันไม่เป็นกรรมป่งที่อาจจะ ก, กํามเลิ่ไป เ, เ, เรื่อยเรื่อรวมหลงแม่นิดหน่อย ถ้ามันหลงบ่อยๆมันก็หลงมากขึ้นจนไมารู้ทิศทางก็ได้เราจึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้กันทุกคนมีใจทุกคนมีอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไม่มีใครเห็นนอกแต่ตัวเราเองเห็นเราก็สอนเดินองตนนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมันมีขั้นตอนหลายอย่างพอมันเกิดขึ้นกับใจมันก็เป็นสมมุติบัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าชอบว่าไม่ชอบให้อารมณ์นั้นมีรสชาติเพิ่มขึ้นเป็นรสชาติของความโกรธเป็นรสชาติของความทุกข์เพิ่มขึ้นถ้ามีสมมติบัญญัติไปเกี่ยวข้องต่อไปกก็มีประทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นพวกเป็นชาติไปเมื่อเป็นพวกเป็นชาติแล้วเป็นผู้มีสุขเป็นผู้มีทุกข์เป็นผู้ผิดผู้ถูกแล้วก็มี อะไรเพิ่มไปอีกเป็นชลาโมรณะโสกไปเทวทุกข์เคยเจอเจตายอยู่ในภพเช่นนั้นได้เป็นภกเป็นชาติเพราะอารมณ์เก็เครืบใจเท่านี้ก็ไปกันไกลถ้าพบชาติที่ไปทางต่าก็เป็นสุลกายเป็นสนาโลกเป็นเดชฉาน เ, นเป็นเปตตไปเพราะอารมณ์นิดหน่อยหมอนไม่เฉดแต่เดียวย่อมไม่เมืองทั้งเมืองได้ ทั้งทั้งที่อารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็ไปกลเป็นพวกเป็นชาติได้แล้วมันเกิดตรงไหนล่ะมันเกิดตรงที่สมมติที่เราไปเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องสมมุติมันยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกคือสมมุติมันหยัดสมมุติในต่างกันต่างกันเมื่อสมมุติเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการสัมผัสคืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจแล้ว เมื่อมีสมมติบัญญัติเกิดขึ้นเป็นคนละันไปแล้วมันต่างกันไม่ใช่ปรมาจารยมาจเหมือนกันอยู่แต่พรอเกิดสมมุติ ต, ต่างกันไปแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานก็ต่างกันไปคนละทิศทางไปแล้วเมื่อสมมติบัญญัติเกิดขึ้นเราก็แยกกันไปแล้วต่างคนต่างไปเอาไม่อยู่ก็มี ถ้า ม, มาอยู่ก็ไม่ไม่ให้โกรธก็โกรธเพราะเขาสมมติปัญญาตสําคัญมั่นหมายอิปทานก็ไปเจียวค้องชนกลัวว่ามันจะพบเป็นที่สุดของพบชาติชราดมรณะโศกะเ ป, ปรตทุกุกหมดความโกรธหมดความทุกข์ลงเขาก็ผิดพลาดไปแล้วกลัวที่จะหมดความทุกข์หมดความโกรธข้สายกันเชื่อแล้วเขาก็เป็นรอยเป็นแผลในหัวใจเรา โบราณท่านว่าสมรูปเป็นตรีเชื่อดีเป็นตาความเชื่อควาดีเป็นตาในหัวใจเรา ต, ตา น, ตานเราไปย่อมอะไรติดมามันติดอะไรบ้างใจของเรานี้ยเป็นนิสัยยังไงแต่เคยสอนใจเราไห้ถ้าปล่อยไปแล้วเลยมันก็สุขสนเหมือนกันใจของเรานี้ยมันก็เป็นใหญ่เป็นทางที่ผิดแน่ ไม่ใช่เป็นใหญ่ทางที่ชอบทำเป็นใหญ่ในทางที่ไม่ชอบทำแล้วก็มีปัญหาเพราะใจมีมากอารมณ์ที่เกิดเครือบใจมันล่ป่วยเสืออัทำลายคนมากต่อมากแล้วส่วนเสือนั่นเราว่ามันล้าแล้วก็ไม่ทำลายชีพิตของคนมากเท่ากับอารมณ์อ่าหนังสือเพิมมบางทีก็เกิดฆ่าตัวยังตายเกิดฆ่าคนอื่นตาย เพราะอะไรอะอารมณ์เปิดขึงเกิดใจของเขาเขาําคัญมั่นหมายตัดเช็งใจสมมติบัญญัติเห็นว่าการฆ่ากันเป็นเรื่องถูกต้องตัดเินใจฆ่าวันนี้เราก็หวอดจะรู้จึกตัวก็สายไปแล้วอย่างสมัยหนึ่งสตานี่อยู่มองเลยลูกข้าพ่อลูกชายไปทไํารพ่ออยู่กับลูกสะภ้าที่บ้านแต่ปู่ก็ว่าอะไรลูกสะพ้าเสียใจโกรธท่านปู่ ก็วิ่งออกไปหาสามีของตนที่ไล่ว่าปูดดาลกชายวังอยู่ก็สมมติว่าสร้างความโกรธขึ้นมาทันทีขณะที่หัวใจยินบัญดาิขึ้น่าไม่ชอบผิดแล้วสมมติมีอุปทานยึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนแ บ, บกเกอนออกจกไล่มากับปัญญาของตนเอง มาถึงบ้านปู่ก็นั่งสารของข้าวอยู่ลูกชายก็เดเดีวปืนขึ้นใส่ปู่ก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเอามือหวงหน้าไว้ลูกชายก็ยิงปืนใส่มือทะลุหน้าตายทันทีเห็นกัมบมก็ตาว่าพ่อล้มตายอย่งเขาคิดได้ปู่พ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้ววางปืนลงแลต่พ่อที่ไหนพ่อก็ตายไปแล้วก็ สอบรดไปลองพักให้จับมั่ก็แช่มาแล้วเพราะข้าพ่อตายแล้วจึงโลดเสกตัวอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเล่าเพราะความหลงต้องหลงเกิดขึ้นจากไหนเกิดจากอารมณ์ที่ใจแล้วก็มีสมมุติปัญญาบิวประธานเข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินใจทำเปรียดได้ตัดสินใจทํำชั่วได้จนข่าพ่อเพราะอะไรเพราะอารมณ์เฉยๆไม่มีเรื่องเวลาอะไรมากมายเราเสียเปรียบ อารมณ์แบนี้มาเท่าไหร่แล้วจําเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรมในสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจลองดูให้เป็นทวารบานอย่าเพิงด่วนรับด่วนปฏิเสธอนไรให้รู้จักเอาไว้อย่บตั้งชะ ก, กิจเอาไว้ก่อนอย่าเพิงตัดสินใจมันเราเป็นเจ้าของบ้านใครมาจากไหนมาอย่างไรถามดูก่อน ถ้าคนได้ไม่ดีเราก็ไม่รับให้เข้าว่าไม่ยับให้เข้าสู่กายสู่ใจของเราอารมณ์เหมือนอาการถูกกะนั้นแฉกกายใจของเราเหมือนบ้านเรือนจิตใจเหมือนเจ้าของบ้านเรือนหลังนี้ให้มีเจ้าของอย่างนี้จึงจะปลอดภยัยไม่ใช่เราปล่อยปละละเลยจึงจะเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรมศึกษาไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นไรไม่ศึกษาไม่ใช่เลยทุกคนมีประตู อยู่ตรงนี้คือกายและใจไม่ปฏิเสธแล้วมีกายจริงๆเราไม่ใจจริงๆต้องมีความร้อนความหนาวความเปิดความมั่วต้องมีการเืนเดินนั่งงอนหายใจเขา้าหายใจออกเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นหน้าสัญชธาตญาณของกายถ้ามันเป็นธรรมดาแม้ก็ไม่เป็นไรอนิจจังทุกข์กอนนตฏาความมเที่ยงความปรนทุก ทุกของในจาจาเนี่ไม่ต้องนัก็ไม่มีปัญหาไม่เนเรื่องของสัญชตาตญาณมาลูกมาแช่ยอยู่แล้วเมื่อนั่งนานไม่มครมาบอกว่าคนนั่งนานแล้วต้องเปลี่ยนจะเราก็รู้เองแล้วเปลี่ยนเองยืนเดินนั่งนอนเดินอิบอดที่วันเทาความทุกข์ขังที่มันปีอยู่ในกายมันร้อนไม่มีใครบอกว่าคนร้อนแล้วต้อาบน้ำจ้า เมื่อหน้าเย็นแล้วคนเย็นแล้วขึ้นไปเสียไม่มีใครบอกสัญชาตญาณมารู้จักช่วยตัวเองหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมีสัญชาตญาณเหมือนกันไม่มีปัญหาอเหนหยวข้าวก็หาข้าวมาเจนแต่สิ่งที่มันเหนือกว่านี้คือสมมุตินี่แหละ อ, อ, อคาคันโตกะเืออารมณ์นี่แหละมันจรมาแ้วก็ยิ่งบัญญัติเกิดขึ้นแล้วก็เลยไปกันใหญ่มันนอกเหนือจาก ทุกขอังอันจังอันตาไปแล้วมันเป็นสังขารและธรรมเกิดขึ้นมันปรุงมันแต่งไปยกเมฆขึ้นมาจับปืนยิงพ่อได้ฆ่ากันได้ฆ่าตัวเองได้วันอัากขึ้นไปของที่รักกลายเป็นของที่ช่างของที่ชังกลายเป็นของที่รักเมื่อกี้นี่โกรธให้พอ่อโกรธอย่างมากจนยิงพ่อได้ มันสมมติขึ้นมาว่ามันเป็นบัญญัติขึ้นมามันหมดไม่ใช่ตัวเช่ตนเราเสียใหญ่วิ่งขึ้นไปโกรธพ้ามันเป็นอะไรนะมันเป็นบัญญัติต่างวาระกันเฉยๆมันสมมุติบัญญัติสมมติบัญญัติไม่ใช่ตัวเชื่อตนเราก็เสียเบียบมันเสียเบียดควาบัญญัติอย่างนี้โกรธมันเป็นสมุบัญญัติเกิดขึ้นในจึงโกรธทุกข์อะไรต่างๆมันเป็นสมมติบัญญัติมันจงมาจึงเป็นโกรธเราจึง มีวิธีปฏิบัติอย่างที่เราสวดจงเคารพพระธรรมเมื่อเคารพตอนอยู่หวังคนเบ่งสูงเคารพต น, นคือเห็นอย่างนี้เคารพตนคืออย่าปล่อยให้ตนหลงมากเกินไปคว่ำปล่อยให้ตัวเองหลงมากเกินไปหรือว่าร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะไม่ให้คนเราเป็นทุกข์ ให้สงอยู่ให้ปกติพฤตธรรมคือปกติคือสินจะมาที่ปัญญาขปุตเจ้าคือปัญญาที่รู้ตื่นเบิกบาน่าสงคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์อยู่ต่ออยู่กับตัวเราเสมอจงเคารพประธรรมจงละทำดำเสียทำดำคือความหลงจงเจริญทำเขาวความขาวคือความรู้จึกตัวแล้วก็ดูไปรูไป เมื่อเลิกไล่ทั้งรำสั่งสอนเขาจะเจ้าอยู่ผู้เปัญญาจงทํความรบพระธรรมทำและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้อธรรมโมนี่ยังเปรติอธรรมย่อมนําไปลบรรมโมสุขภาวะติธรรมย่อมนํำไปถึงสุขติมันไปคนละทางกันเราเลือกได้ไหมตรงไหนหัดเลือกลองดูเมื่อนหลงหัดเลือกไม่หลงเมื่อมันทุกหัดเลือกไปทุกเมื่อมันโกรธหัดเลือกไปโกรธ อย่าไปสมมุติซับซ้อนจนหลงตัวเริ่มตนไปแล้วหลงอยู่ตรงไหนห่อท่องเที่ยวในวัตฏะเกิดแล้วเกิดดีหลงกี่ครั้งกี่หนทุกกี่ครั้งกี่หนบางทีเรื่องเก่าเอามาย่ำคิดหลายรอบหลายหนเวียนว่าจะเกิดอยู่บางทั้งที่มันเป็นทุกข์ก็พอจ่ายเอามาคิดลําดับลํานาดีดีมันเกิดอะไรตรงไหนแล้วเจ๊ลาตตรงไหนนะปฏิบัติธรรมน่ะันเห็นแจ้งสมนาหน้าความหลง เราได้เปลี่ยนความหลงไปความรู้เนี่ยโอ้ยมันซึ้งใจที่สุดเลยมันมีอะไซึ้งใจเท่าตรงนี้ได้เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเนี่ยโอ้มันลึกซึ้งมันสําเร็จเหมือนกับจกมืออะไรที่ยกมวอให้ตัวอย่างนะเหมือนนักมวยเขาจกอ่าะนะลรายกมือเราจะยกมือเคี่ยวตัวอย่างนะเมื่อเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกโอ้ยมันมันสดชื่น เปลี่ยนความโกรธเความไม่โกรธหรอนี่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ชนะอันยิ่งใหญ่ชนะคนหนึ่งร้อยข้างถนนไม่เท่าชนะตนครั้งเดียวเลยผู้เจ้าสรรเสริญบุคคลเดียวชนะตอนอาตาาัตหะเวชิตังเสยโยฉันตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดชนะคนหนึ่งร้อยข้างถนนไม่เท่าชนะตนแม่ครั้งเดียวเลยต้องดูลองดูงดยาด่วนเดินให้กลับมาดูเช้าก่อนดูดีด แต่าผลฝันฝันแล่นสติมันมีอะไรไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธคือสติไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธเป็นกลางไว้ก่อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจไม่พอใจสอนความพอใจแล้วความไม่พอใจออกไปได้แล้วไม่มีความพอใจเราม่มีความไม่พอใจเรามีสติรู้สึกมันปลอดภไปปอดไปไม่มีไข่ ถ้าพอใจยังมีพัยอยู่ถ้าไม่พอใจก็ไม่พัยอยู่เราจึงขวนออกไปเราอยู่ตรงที่ไม่เป็นเลยนะชีวิตต้องอยู่ตรงนี้มันจึงปลอดภัยไม่มีอะไรถูกเราขอเนีท่าก็ไม่ถูกขอเสริญเสริญก็ไม่ถูกสุขก็ไม่ถูกทุกข์ก็ไม่ถูกมันจึงปลอดภัยตรงนี้ผู้ที่ไม่พัยอย่างนี้เรียกว่าอาเดียบุคคลไม่ใช่เป็นเพศนัดทีนิ่กายหมายถึงจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยเนี่ยเราจึงต้องให้ มองตรงนี้กันอย่าไปมองอรื่นมีพระพุทธศาสนาะอย่าเอาศาสนาไปไว้ที่อื่นอย่าไปเคารพันอื่นเคารพผู้คนก็ดีเคารพตรงเนี้ยตรงที่มันเห็นเนี่ยเคารพพระธรรมคือความทุกข์อย่าเข้าไปขะมันเคารพแล้วเหมือนเราเห็นขี้หมาอย่าไปเหยียบมันเคารพพระธรรมธรรมคืออาธรรมธรรมคือความชั่วอย่าไปใกล้ เหล็กช่างสิบบาเหล็กกันบ้าร้อยเช้นรู้หลกเป็นปีกรู้เหล็ ก, ล ก, หหล ก, ก, กนั่หางให้รู้จักยังไงเลือกขรกปะทำและทำไม่เหมือนกันต้องรู้จั ก, จกเลือกรู้จักทิศทางแม้แต่ความคิดมันก็มีทางให้อย่าหลงทางในความคิดให้มีทางที่มันคิดหลงเกินหวังให้มันรู้ทางออกไป เย้เย่เลยทางถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยไม่จนอย่างเก่งมีทางไปได้ถึงเกียนตายก็ไม่มีจนเลยเรื่องนี้มันเจ็บก็ไม่จนมันแก่มันทุกข์ก็ไม่จนอะไรก็ไม่จนเพราะเรามีทางแล้วทางใจเนี่ยไม่ใช่ทางเหมือนกระแผ่นดินทางใจอยู่บนไหนก็ไปได้ไม่มีขัดข้องอะไรเลยถ้าเราไม่ฝึกหัดแล้วก็มีแต่มืดมืดหลงทิศหลงทาง พนเวียนอยู่ในความรักความจ้างในความได้ความดีความผิดความถูกความวชา้าความบาเบียดเบียนกันอย่นี้นะมันเสียวเวลามากเสียวเวลามากแล้วก็ไม่ใช่เสียวเวลาอาเดียวมันทำให้เราต้องมีรอยแผ่ช้ำลงไปช้ากับความโกรธช้ากับความทุกข์เป็นรอยในหวัวใจเรามันเปเื้อนที่สุดทีเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ลอย คำว่าบริสุทธนะิ์เนี่ยคือนี่แหละมีสติเข้าไปอยากเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นป น, นี่คือความบริสุทธิ์ไม่เห็นนี่ยไม่เป็นนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดเลยถ้าเป็นแล้วไม่บริสุทธิ์ต้อมีความเปื้อนอยู่ในหัวใจเราเนี่ยเราจึงไม่มีอะไรแบะมือเลยใจนี่ต้องแบเลยไม่มีอะไระไม่เป็นไรถ้าจะพูดจะคําไม่เป็นไรมันร้อนก็ไม่เป็นไรมันหนาวก็ไม่เป็นไร มันหิวก็ไม่เป็นไรมันปวดก็ไม่เป็นไรมองแบบนี้บัญญัติเอาทางนี้ไปก่อนถ้าจะมีความเห็นออกทางนี้ก่อนไม่เป็นไรไปก่อนสมัยไปสอนทำขี่เชียใบสมัยก่อนไม่มีรถทัวรถปรับากาศเหมือนทุกวันนี้นั่งรถจากขอนแก่นไปเชียงใหม่ต้องขึ้นรถร้อนแต่สมัยก่อนรถมันไม่มีมากรถเก่าๆก็แอร์ทุกหนท้องแย่งกันขึ้น ไปนั่งจองไว้ถ้ามานั่งจองไว้ก็ไม่มีโอกาสไปร้อนขาดไหนก็ต้องขึ้นไปนั่งไว้เราก็นั่งอยู่ขัวรถจอดก็ล้อนหอ้เป้าโตติดเครื่องกับรถเก่าๆก็ล้อนกันไปบนบนใต้ที่นั่งเบาะหลังเครื่องมาอยู่ดางหลังอเพื่อนแล้วบอกว่าตายตาไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่ทั้งบนทั้งเหงื่อไหลห่ตาตาก็ไม่ค่อยสบาย ตายตายไม่ไหวแย่แย่ทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกเราก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่มีความพูดเราทําความเห็นสวนทางไปไม่ตายไม่ตายอยู่ในใจให้ตายไม่ตาไม่แยะไม่เแ ย, ไแย่ไหวไหวไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรัวหนึ่งร้อนร้อนหนึงใจก็หนึ่งร้อนไม่ถึงใจได้ไหม ไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรหวไหวไหวไม่ต้องทุกข์ใจได้ไหมมันร่อนอ่ะได้ร่างกายมันเป็นอะไรก็ร่วมมันทั้งหมดมันก็มาได้ความเจ็ไปร่วมกับความเจ็บมันร่อนก็ไปร่วมกับความร้อนมันหนีวก็ไปร่วมกับความเหนวแล้วก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลราจะหมดตัวไปกับอาไรต่าไม่ปีที่พึ่งไม่เป็นหลักชีวิตไม่มีหลักไม่รอย ขอให้ไปตรงไหนก็ไปไม่ใช่เลยจิตที่ฝึกดีแล้วมันพึ่งได้จริงๆถึงข่าวที่มันเกิดอะไรกับภายนอกจิตมันก็ไม่เป็นอะไรกับเรื่องอะไรทั้งหมดเลยในโลกได้เห็นนะเพราะฉะนั้นเราจึงฝึกเอาไว้ยามสงบเราฝึกยามจือกเราลบยามสงบเราก็ฝึกชีวิตของเราไว้ยามมันเจือกมีปน็นหากะชนะทันทีมันกับ น, นักมวยที่ก็ไปชก เมยจะมาเด่นนักกีฬาต่างๆเขาฝึกเ ข, า, ขาจึงไปเป็นแชมป์เป็นกีฬายาดอดเยี่ยมเอาชนะมายืดเราก็ให้มีชีต้ต่างมีปะชนะเราเว้ยชนะเราเว้ยชนะอะไรชนะตัวเองมันจะพรมใจที่สุดเลยมีเหลี่ยมยกมาไหวตัวเองได้มีอะไรที่เป็นหน้าพวกัวสักอย่างมันไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่สัตว์ประเสริฐมัาจะเร็วล่ากว่าสัตว์ต่างเพศเห็นได้เพราะเรา呐 เอีปัญหามากกว่าสัจจะเกินเช้นที่เราอยน่ย็จะสร้างเป็นล้านๆนนหลังคามงุงฝากระจก ม, มุงลวดพัดลมเพื่อป้องกันเหือบจงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานความร้อนความหนาวเมื่อร้อนเราก็มีพัดลมเมื่ อ, อยยงเข้ามาก็มีมุงรวดโยงตัวเล็กเราสร้างป้องกันจนเท่าไหร่ เน่าหนูกาไก่เขาไม่มีอะไรเขามีขนมีอะไของเขาเพราะเราจึงต้องทมาประเสริฐเรามีการพิวดพัฒนาชีวิตของเราต้องกายทั้งใจด้วยให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆได้ใหความรู้หามาแล้วก็ใช้ความรู้ใช้วิชาการใช้ทรัพย์สมบัติใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจให้ถูกต้องอย่าใช้กาใช้ใจเป็นปัญหาต่อตัวเอง เอาไว้เป็นเครื่องมือที่จะหลุดพ้นไม่ใช่มีปัญหาที่จุดชีวิตเราความหลุดพ้นจร่ง ท, ทำให้เราหลุดพ้นคือเห็นเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกากับจนี่จุดหลุดพ้นอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเราไม่หลุดพ้นถ้าเป็นลราก็หรือว่าเป็นพราะเปชาติไปถ้าเห็นเราหลุดพ้นเลยไม่ใช่ราบสักระเสียงเสินเยนโยเป็นความหลุดพ้นต่างหากที่เรามีพระพุทธศาสนา จดหมายไปทางความหลุดพ้นต้องดูให้เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยจุดหลุดพ้นอยู่ตรงนี้เราก็จำได้ทุกคนมันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธถ้าเห็นแล้วก็ปลอดภยัยหลุดพ้นไปได้เป็นทางอย่างนี้ชวนให้ดูชวนให้เห็นเพื่ออะไรมาเกิเครื่องเราใช่สูตรนี้เข้าไปช่วยเป็นเครื่องมือ จะทำของยากข้าง่ายได้ทำของหนักเบาได้